พรพิทีชาสอนมนุษยธรรมภัยเวนมนุษย์รีบัดนะจะเป็นมนุษยธรรมมนุษย์พันผัพันสอนสําคัญตอนมนุษย์ริบัดก็คืออบายมุกสุภเพศเป็นมนุษย์รีบัดมนุษยธรรมก็คือโกงกันขามภัยเวนอบายยมุกนะจะเป็นมนุษยธัติขันภัเวนอบายยมุกก็เป็นมนุษย์รีบัแลมู่เมหัเมื่อา เราค น, นที่เจ้าอาก ม, า, า, ก า, ม, า, า, ม, มาจากโ ล, ววลกไข่นั่วก็ขามตะกายค้ามสวนพระองค์เ<า>ก่าซักก็ได้ถือจมลนงวัตยุ่ิทยาชัตรีมาห่าวเออยักเ์ขามาเพียบมากเมัดกันซักอ้ยจับั้งได้ไหมหองปู่ไอ้พกจักกมเลีหนาคนาที่ไหนไม่ออกมือน่าเลยออจินตืบมือตึบคางไปค่ะเออมันฮ่าจิ้มตืบมือยามาหาใอ้เป็นผู้หูผู้เห็ น, นผูดผู้ไข้ไปแน่ ทายเนีนะโพดท้ายครับโพดท้ายบ่ห้เลยนะหบ่านี่ยมันนีบ่ห้ยกพอสอนก็เนี้มัน น, ม น, ยยมมนีก็บี่จะเว็นหนาใบยมุกขันพุเป็นหาใบยมุกเนี่ยทุกเท่าตายเป็นหนาใบยมุกยังสิบเป็นสุขเท่าตายขันพุเป็นหาใบย ม, มุกกับเป็นทุกเท่าตายหพอไหนหลว่ไหนหลวงพ่อไม่หลวงพ่อไม่หามาได้เนาะเกี่ยงวันจะไปสือเจลก ไปเอาทั้งรัดเพื่เคียรทังรัดผลว่าก็เลนมาหนีคำมั่นใดมันกัดนตั้งตึกแบ้วพันเนี่เช็ดตึกเก็บสันแปรสันหมดรับวไปเสียทิ้แห้งคำมันคำมั่นใดโต๊ะรองมันหมดไฟไหมนี่เด็กมาหาใบบัดใบเบอร์ใบใช้ใหน้าน้ำ ไม้ที่ดินน้ำไม้ไม่ไรับความแม่นําตอเนื่องตเว้นเหอเนอะเป็นเพเป็นกระทุบเต็มโลกนี่เสมอเนี่ยเอ็นที่ห่่เพร่อหินเพรหินปันไหลจะก้เราะห็นปันไหนจะก้อนบอกเพราหินปันไห่เ่ราะหนปันไหนเนี่มนห้อยหินชาเขาบวชชบ้านมาเันหนเขบชบ้านเนี่ย ก็วัดาื่บาดเดือนนึงหาได้จากมืออยากไลก็นฮเก้าก บ, บาทเี่ยบาทาถ้านี่ปีนึง่งถึง่าตายไได้ร า, าแถว น, น, น, <c oughs> นั่นีเรื่องขมวาเลยนะอ๋อไอแม่เลยฉันก็เป็นอันนี้ไปไฟรอดนะบ๊วยะโดยี่นี้มาตายมาวันนี้งิไปเผาจมอห่ตกค้างเงินเราใชผุตรนั้น เคเผาเขาเงินก็ไม่อะไะ <c oughs> รลเขาเงินแบา น, มานบม่แบานนองล ะ, ะตั้ตได้ตั้งตได้โอ้ยเริญก็ยังเ้ล่นมา ไ, ไหนที่ไหนฝ่ายเมียเลยความเชียหายไม่หมดเขาเนี่ยเขาก็ยังมองหุนจักที่ทีไหนเขาจะไปได้รัฐบาลเขาเล่นเขาเอาเงื่นงห่อไปเลีน เสขาเทาเสียน้เขาเขานี้เงินคล้ายเขาคล้ายราบคล้ายเบักเขือข้ายปอค้ายปานเอาไปสูงเขาเขาไปเอาเงินเทาสูเทาเ้ขข <c oughs> าที่สนาม น, เขาเข า, น, านเขาเขาตลาดเนี่ยถ้าเท่าข้าเขามี ไ, ได้ก็ขบังครับว่ได้ ห้อง ข, ขี่ทุกเขาจะบังคับได้วัวไว้ได้ห้องที่ขี่ทุกเขากรรอกวัวอว้ได้ปลาจะกินเม็ดเขาก็เสียบเนี้ยรอตัวะอือทางแห้วมันกระตองเมีเยเรื่อกันนันแะนกบางักขี่ดังเดี่ดกระเท้าลไปกินเนี้ยอาทิตต่างบานทิศแห้วเขาอยอนดินพับๆโยนปลาเาเคื่อกันนั่นะยาต้มเขาขเขากีกระเดียนเสียบเขียดเมือ่อ เงี้ยคิดรอมั้งปลาเีวน่อยมันเขาเสียบไปมันจักกีดอังนี้เรื่องนี้ย็ไปสอบก็บกับปติปากเอาเขาเาไปตุ่มยิ้นพักคอไปลาใสของทุหัวใส่เขียงถ้าพุดที่เจ้าองได้เขามามาหามันหามมาห้เบ็ดเบ็ดบ้านเดินเนบื่อไม่ทราได้ไรน่าใจรกชาต มันมาทอวิชาคําสอนพระเจ้าเขาดอกบพเสี้ยวบระไข่พระเจ้าสอนให้เป็นมาสอนจัมมานุสมบัติไปเป็นขันเป็นตอนไปอ้นี่ยจัมมานุษย์สมบัติเท่ากัเฮ็ยังบะถือสวบัติสมบัติมันสีใสสั่พร้อมสมบัติกับยังกับ่ะถือกันนี่พ้านสมบัติกับ่ะถือคือกันมันถือมนุษย์สมบัติซะก่อนมันสมบัติมันก็ต้องเว้นอบายยมุกอบายมุกมันกัด เป็นเสียน้ำประหอดเสียนาอธรมอสียนหาเป็นเสียน้ำประหอดไตชนะคมคนนั้นไม่ได้ถึงไตชสะคมได้ถึงจับปากพุทธั้งอะพุทธั้งเลขทั้มังอั้งมังเลขทั้งขั้งเลขนโมเลขนโมพานนโมวัดนโมเบือลกลงพระพุทธเจ้าเขเลยเอาพระพุทธเจ้าเขาไปว่างบวกนั่มันแห้งได้บาบซ้ำหลอดฟน้งเลยบาบที่บอกว่าอย่างนี้บอกวา บาบุบากไปจนไม่มีเน็วใช่แน็วกินเน็วตางมาเถี่ยงเงมเห็นตัวบ้า่บอกเจ้างรื่องวาระหกคนเานี่ันจรอผู้าก็เดเาะจับรอนั่นแลลวไม่ใช่แก็ได้ร่อวาระหกคนท่านบาลเจ้าหลวงพ่อกระไรยังมีอยากถูกรับกตัร้านนี่เนดอกคนหลวงพ่อบอกเลาบอกรต่อไปคนละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพิง เราเรียนเลยว่าเสียดายอยากเล่นเลขเราก็เสียดายอยากลองระมดอศ้นหาบ่าเสียดายอยากเล่นเลขว่าเสียดายอยากถือเวทมนตร์ละค่าถาอันอื่นนอกจากศาสนาพุทธว่าเสียดายอยากจะถือหรือห้ามดีนั่นแหละคือพระสุตดวันนั่นคือพู้มชัย์เบื้องตนของพระพุทธศาสนาตระกูลมั่งคั่งประเนตกลางสั่งงานมาได้ บ่เสือกครับสรูที่หาได้บ่บุญแล้วนะพัสรูที่คำฆ่าม้งจัระมานการบริโภคสมบัติหาได้นึง่าใส่สิบคนหาได้หาใส่รอยคนใส่หาใส่ใส่ไรก็ไรได้ของเจ้าของมันมงจัระมานในการบริโภคสมบัติเอาคนทุศีนเอาข้นขี่โบกขีเวีย มาเป็นแม่เฮื่อนแม่ซ้านพอมีสิมีสมบัติพัสสานร้ายปรนณีตกระ า, างตั้งอยู่วะไรแต่กระเจิงเลยตระกูลนั่นสิบริบูรณด้วยทรัพย์เสียงข้านบริวารกระซังตั้งอยู่วะไรแต่กระเจิงเลยลเราพุทเ้าสอนไว้แล้วอิทธิทูตโตสุร่าทูตโตนากเล่งหญิงนางเลสุรานักเลงเดินการพระนั่นคนสัวเป็นเมตตุนี่ประตูแรกประตูนึง มหจะคบประตูดอกเพชรทั้งนั้นเข้าเรีจีนเราค้นขี่เราก็มาแหอนเขาเข้าเีเลขคนขี่เลขก็มาแงเข้าเขาซื้อสินทยท่างคนซื้อสินทรัพยท่องก็มาคบเข้ารักเอาเป็นอ่งท่างนรักเอารักเอาของเ้าไปบ่าง่ายเท่าไหรรักแตรักรักสยตำรวจเขาเอเขาจำวัน อนเจ้ามันเข้ามาลักนพ่อที่เจ้าว่าเดีักเลยัอกัวางนี้กัทันมล้วโอ้ตูคนนี้ือขัลักได้รักดีก็แไฟสีมาสางยังบุญลักเอาบุญพื้นคนลักนี้เนี่ยไปบวชมั้งหรืคนทางลักก็บ่เาเนี่ยมึงเหลียไปในทังดีมันก็ดีตัวไปทังดีว่าใจเข้ามารักเลยเนื้กบ่บาแ่ี่นีักไป อะไรอ่ราบอกตั ว, s. <S <trabajar. S 1> วอันั่นเสีมัน ก, กับอะไ้แล้วอกอตัวอันนที่ัการดวนี้เป็นหวัดพวเนียเพะเอิญทำงานขี้อัดหลายตเนี่ยอะรสิบบาทเอาสิบนี่นยยัง ต, ตายแล้วยังมาขอโอกาสอย่นี่น้ำพิพาแล้วมาขออยู่มาขอโอกาสโอ้ยศาสาาาาาตร เ, เ, เป็นพวกเส้น ร, นรอนพวกขาดเอาห้าองอเลยหะฮารุฮาเต่าแล้วพรกพวกบรรจาร์เหมือนพวกปรักท่าพยานพวกขาบหายท่านยันพ้นท่านว่าําเ็จ แต่หาติผู้ขายาตผู้ข่าเป็นบาปเป็นกรรมเดาะเนี่ยเพิ่งยังไปขอโทษกันรัวเพิ่งยังว่ได้ถือว่าผัวผิดทีนีถือว่าจะคล้องุัวผิดอ่ะแท้เท่านี่ยมันข่ากันตายฆ่าผู้่นที่ก็ไม่แท้เทาอ่ะอืมว่านเี้ออืมช่เพิ่งยังว่าเพิ่งยังว่าผันผิดจะไปผัวเมียผู้ข่ากันอ่ะคณงคิดนึงผู้ข่าก็ยินดีเลยซื้อ ถ้เกิดมานี่จะอยู่ในข่ า, าวรัฐ <c oughs> ก็ บ, บรได้เสียเงินพราสซื้หารุเรื่องเยอะเท่อไปซื้อเลขเท่อหนึ่งเจ้ซื้อเลขรัฐบาลซ <c oughs> ื้อเลขรัฐบาลซื้อเที่ยวถ้านั้นบ่ถือก็ บ, บร้ษีซ <c oughs> ื้ออีกอือเราบปัญังซื้อเทื่อเดียวไปเรียนภัยนะ้าเข้ามดเงินสองสามต่าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> มัน่เร่องอะไรกนว่าอีพ่ออแม่กูเสียบุญพ่อไอแม่คนไม่ขอกปากนีหรอกวะนะตั้งสีออกใฟังกูไปประทับก็บอกฟังกูเมื่อเชีเป็นย่างๆมันเรอเพรามนี่ไปประทับก็บอกฟังเเีอยู่นักเชียร์มได้หรอว่าฟังมันว่ามันทางเพราะองเก่าเขาตะเกียบเพะัจักสมื่นหรือวจักแหงแล้วก็เสียร์ทางละ ลูกเตาล้านเหลือนฝันให้เสียให้ฝันหน้าเสียหน้าหน้า <c oughs> นงเงกั เ, เลรียเละมีเงินอยู่หลายแสนลาล้านต๊กลงว่างได้ว่างที่หอบปีหลังนี่ลหละเขาลงมาซื้อพิมพมาเ ย, ยอะว่ามีว่มีสินททยว่มีสียงทายล่งอาบน้าทึงนัินย่าโม่แรกมาจะลงอาบน้นนออ า, า, านปั้นพาข่าโต โอ้ยถูกอกาศร้อนพอไงเนอยู่บ้านไหนเนียยังอย่มาขอมยู่งสงอะไอ้เกาะเอที่ไสบ้านเนียยุใส่ยอรอนมาขอมยิ่งสงนกยุอโหรนคนอโหนบ้านไหนอยู่หอนเมือละพะน่าจะเดไปยุยีรี่อโหรอนยุใส่ชาวอโหรอนยุบ้านมีข้าวเหนีวมีข้าวเมย์ข้าวสาเมย์มีข้วมมีพป่านบ่เลยอยู่ ว่านู้นมาโอ้มาเน่ยจะไอกสีน้ำมันมาเนี่ยมาตะกค็นสองพันสี่สองพันสี่รอยแปดสิบเก้าหัมาเท่านั้นสองพันสี่ร้อยแป สองพันเจรอยยูดำพันสาหอดอนสองพันเจดรอยแปดิบกน้าคือกันนะนหลากเมาผ่อนะเเ่อไหมจาชั้นระเบออ่เี้ยสันเรยแปดิหกปดสิบเกแปดสิบแปดแปดสิบเก้าโอ้แปดิแปดดูสอันเจอยแปดสิบหก ปสิบเกียดแปดสิบปดบวสพัน่แปดสิบหกบวมหานิกายสองพันษาแลว้วสองันสี่ททส 2, ร้ยแดสิแปดามาติวัทโพธิสพ่สองพันสี่้อแปดิเก้ามาหารลงปูมันคันเลือกทหารสองพันสเดาปีเพี้ยนการปกครองเออเกิดพี่กุลน้องความีหูมีเต่ามีเอ า, เาไปใช้ใส่หูเลยวัยหนหววนึงว่าบวชน้อยังไง เพาก็มาบวชเป็นผู้ใหญ่ยานเป็นผ um ู้ใหญ่บ้านแล้วโอ้ผู้ใหญ่บ้านอะไรบ้าบวชบักเนื้งงินบักเนื้งเงินจบเกษียณปีนี้แ่ละจ้เกษียณทหารเป็นจ่าชิบเอ็ดเขาเคลื่อนให้เป็นหน้าร้อยล่ะบัที่ออกพ่อแม่เนแม่ใจพ่อแม่ขยุดดอนขึ้นกันพ่อแม่่่บาน เขาไปอ่ะถ้าล์ขีสนาแล้วไปสลเลยอะเพอากาน้าเขแห้งวนถาวรล้ำฮะเห็นพบอาการหน้ายัาหงแล้วเอ้ยใช้หน้าไว้ใชหน้าไว้กว่างๆกองก้นบึงมันดำมันพราะอยากหัวซักสักที่ตายกว่าอย่างวันนีใช่แล้กว่างๆขาดหน้าไว้กวางๆไว้ กมมองก้นเบื้อพอสีดำไปหอดกันแท่หรือว่าพ <laughs> ่อยากว่าักใส่ขีด่ตายพ่น <laughs> ลงไปเกี้ยวเข่าเลยหาข้าวเลาลงไปพ่อเกี้ยวแล้วเกี้ยวเขาแล้วจะขึ้นมาเพราะขนว่าซือหบหาเขาว่าพ่อมมันเสียเถี่ยวทุกข์กันว่าอล่ะ <laughs> ตีเขาฟาดเขาแล้วขึ้นมาหาเหลี่ยมพ่อเดยวขาปะทก เฮ็ยกละสองรอยสามรอยสี่รอยคนอยู่เนี้อกัเกาแงกแงกใคอก็ฟาดแง่กระฟาดเลยหาวกก็แบบาทคลิบททมเงามืองเศร้ามากแล้วเมื่อก่อนเขาสนุเพียงเราากเลยแต่ไม่เจอของปกติอีกแก่บังเว้นต้มาหรือไม่เอาต้มใหม่มโมเดลอมนก แคดเนื้อเข้าวะเราไม่พูดได้โจมมิตรเขายาเน่ะดําหน้าท่านแคตศอกเวิรนอยู่ว่วดเออนเอาวัดเอามาคําหอวเข่าดักแอดเอ็นแฉงเลยนคนดําหน้าคําหอวเข่าดักแอดเอ็นแ้งน่ะคนดําหน้าเอาเอาแคดศอกคําหัวเขา เจริญวพราเข้าเถลินมดแอนดักแอนองแฉงม้ขาขบถกเทียนอันนี้บ่มดมัดหนึ่งบ่มดมัดกามัหนึ่งบวมอ้งเอ้ยเนี่งานงุ่งงุ่งงุรอันนี้่อบทกขาเดำมดเวียนจะคองมนโ้ยัห้าบวชทกขามาไว้เด่๋ยวไม่หวลยยังอ่อนยังคล้งารมณ์กล้วกาคือกันแล้วมันเงิ เงือบ so ันึ่ไม่ได้จับจักชักชักชักก็ได้ันัดใส่ปลาทิพนี่ยชักชัี่ชกเนี่ยฟัดผุนผมจังผมเราลูกก้าวมือได้ตังคีตเสีบแต่เสียบตังรออยว่าจะเอาไปเป็นที่หนึ่งที่สองเพิ่นป่านั่งเนี่เป็นที่โหล่เพิ่นอยู่ไม่ได้ทูกห้งแล้วว่า ว่าอ้หุ่หยไรไร้แล้ล่วงไปไร้ได้แปดชินกลัวหรือแปดชิ้นกลัวหรือปปแบบอปดชิ้นกลัว ม, มันเขาเกิดไปกุ่นเนี่ยคแม่เนเดือดสัน้นเช็ี่ก็แปดกัวแล้วันนี่งที่มืก็ต้องใจจกันเลยแล้วเติบโตเพราะมีจินตภาพคันจะได้จิตจิต ต้มหันลกเคยดูไปทั้งงานวะเพราะไมลกเคยยังนังจัวไม่จะลูกไสอลูกเคยว่ามีผู้น่าอัมีลูกสาวยิ่งผู้นึงจังจจังไหนฉีนาบวชแต่ว่ามีไม่ยิ่งมิจะผ่าบวชที่หันก็ได้บวชยี่หัวใจหันหัวใจฮะว่าไปรวมละเมิดก็เป็นบวชหัวใจไม่เส้นหายก็เรียกว่าบวชผู้บวชยู่มีเส้นหายมันค่อนเป็นเอานุ่งขาวนุ่งจังไงว่าเป็นปัญหาเนี่ยนั้นบ่ขืนยกกำนุงหอก นุ้งยันสั่งเดีไม่ตีสินหากันอะไอยู่ด้วยกันทีว่ายันสั่งถึงพระพุทธธรรมประสงค์มันหัวใจไปถึงหัวใจเอาพระพุทธพรธมประสงค์หมดหัวใจพ่มมีพระพุทธธรรมประสงค์บ้ายอมเป็นข่าเป็นท่าว่าพระุทธธมประสงค์เป็นคนบไม่มีแนวนุ้งแนวถือหัวใจเป็นคนผีเปื่อยใจผีเปื่อยคนบม่มีพระพุทธธรรมประสงค์หัวใจเรียกว่าคนผีเปื่อยสีนุ้งิบนุ่งดีเดียมฟับภาพมาได้กระตาง โม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังลงหัวใจย่างเขามาวัดพระพานแก้ชินเขามาแล้วพระพานแก้พาเขามาแล้วคนเลรื่อเนพาเล่นบ้าเล่นเบื่อนกันคนพระพุทธพระพุทธธรรมพระสงฆ์เขามาในวัดพระวันแก้พาแก้ชินเขามาในวัดนะเราสันเอารอดหลันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โม่ยหน้าแก่อย่างยู่บนหัวส่วนผงชลีหมดเสียไหว้วางไม่อย่างไร ในการเกลเสินไส้ตอนนี้คือกันน่ะมื่อพอะพุทธประทํามระสงค์ได้ใจแล้วย่องอยู่บนหัวใจนะผมสุดที่หมดที่ไว้วางเหีย้ทั้น้องปอมันแค่สี่นองลีบสองันสี่ปดสิบเก้าเกสิบก้าสิบเอ็สิบสองกสิบสามมถวพระเพิ่งแล้วครับพระเพิงเพื่อกระล่อปน้ำหลวงพุทธพกเบทั้งงาบก่น สองพันชิ้นอยเก่าใชหกกับนมาแม่ยูนํางลงฟูมหาบัวอีกยู่บุนหท้ายนี่เพื่อคําซีอีนี่สองพันห้าร้อยก็ออกมาเป็นหัวบาตหัวหน้าหัวบาตแเ <h ook> จ้าตัา mm. วสนตัวนี่แลัวว่าว่าเป็นหัวหน้าหัวบาทจะาตัวสองพันหารอยเนี้ยแม่ยูนี่แหละสองพอนห้าร้อยสองพันห้าร้อยบางคนเลือกไปยูนี่ วัดบรมี yes? ไปใยูน hey, wow mm. ี่เลยววทชร์เสือมาห้องสมบูรณ์ามงามหนามาบ่จะคนนี้ไปใช้บ่เฮ็ดว่เาั้นเฮ็ดบวกเวิล้วเฮ็ดวงามมันออกท่นไม่ชวนหล่อนนยุ่น้องยนี่หอยใิดตมาังวนี่มาที่แกอันนี้ก็สายหก็นหญ่นี่ รอใช่ไมางวัดเนี่ยนก็เป็นท่นสันดอก พ, พวกข้าจอมขั้นสายอยู่คําสียอีอยู่บ้านหอยทรายคนบ้านหอยทรายพันมาอยู่นี่คนบ้านหอยทายพันมามาทางบ้านเนี่ยนี่ขาเจ้าเคยเห็นหลวงปู่หมัดคนบ้านหอยทรายพวกขา้าเลยออกมาพากลุภู้เก่าเนี่เจา้าไปพากลุภู่เก่าเลยมักัน นม่แล้วว่า12กิโ ล, ลผู้เก่าน้วยไปมุกทหารเนี่ยแล้วเขานั่งผลไปหาพวกขาสิะไปบวชน้ำํำมาสั่งโอ้สิไปเ ป, ปตับขาเขาาจะไปรักษาเส้นน้ำมาสั่งเดีวมันโตก็มารักษาเส้นน้ำห้าเนี่ยโตค่อยบวชตเกียบบอสมาสั่งไม่ค่อยบวชตะเกียบแล้วก็หน่อยะว่ากูยต้องรักษาเยี่ยมเนี่ยเ่นยังง กูเคยอยู่น้องคู่บาอาจารย์มากชิเอชบสองรรษาแล้วเลยคยอยู่น้องคู่บ่าอาจารย์มากนับทังอยู่น้ำไม่ใช่นับอยู่ทั้งอดรนับอยู่ทั้งหลวงพ่หมันนับอยู่ทั้งหลวงพูเทศมันหลายแล้วหลายาเติบแล้ววะจ้ะวกากคู่บาอาจารย์มานี่กูพูดถึงาหากินกับป่าตาป่าเขาเนี่พูดถว่ากูมาแตงกุ๊งแตงกินอนน้อยน้อยรเนี้ว กูมันส่วนเท่าน ing, então, ี้บวชตัดตินทันมือสะตว์ตัวแล้วต so ัวกันตัวเพได้แต่บวชแทบกับบวชซักขาเขามือแล้วก็เลยบวชบวชตัวเ่รหาตัวน้ำใหม่น้อะไรกินเขาเห็ออกเต็มค like ู่ยกกับพระหาไปเก็บยากินน้ากันนี่วระสันไปเป็นทบาทมาเลยทะกระแป้งกันจินนี่พระสันทีมาแป้งยูแต้งกินเขายูถูกทิ้งท่าไว้ั่นนี้จากคู่อาจารย์มา้มาแต้งยู้แต้งจินเป็นศิวะวะสันมีอัคปัดกันจินนี่พระสันไปเป็นทบาตั้งไกลพระวนาอัน อยู่ว่าอยู่งยากเราเราได้บวชนําพห้เป็นเป็นเป็นภคาวิ้ยสองสามเดือนก็ได้บวชน้าบวชน้ำไปทำภาษายังไงเอาภาษายแล้วเขาพันยานเขาพันยานผู้ค้าเนี่ยนี่จากเท่านั่นนี่เอาภาษายแล้วเขาเลยหาอุบายงวดมาอยู่นี้นี่งวดมาอยู่นี้ันนี้บ้านเขาก็อยู่บเร่งู้คาก็เลยมามนอยู่นี้มาอยู่นี้ผู้คาก็ได้ว่าเออ โยก็โยกไปเป็นนวลล่ะเรื่องขอันเป็นอะไรห็น่าขดบไปสั่เมื่อไรว่งวะคือมาสั่งวัดสังวัดไอยังอยู่นี่อันนี้นี่เขาได้หาอาบายคือมาลา้าอะไรสักคนนี้วคนรุมมันจะอัตขับจะหายนะง้อมาฟังสียงฟังซ้ำหาว่าเอาบันดูกับบอลี่ก็แล้วมาเฮ็ดตูบเยอ่เทิ่งนี้เฮ็ดตูบเยอะเทิ่งนี่มุ่งเฟื่องนำมันเนี่ยมิจะก็เปื่อนเลยกนโผล ร่ำพัดมากหักโปเป้าเป๋โกเป๋อเท่าลูกเท่านั่นกับบวชน้ำน้ำสามัรรษาเพราะในสามัรรษานเนี่ผู้เทาก็ลสิผู้เาเสียวผู้เทาก็หยัดลูกเขามาบวชน้าคนนึง อ, ออกโรงเรียนหยัดพุทธินเขามาบวชน้าพุทธินบวชเขานํามาเยอะน้านี่ค่ะพุอินก็เยน้าแปดปีเก้าปีก็เลยมาบวชเป็นพระปีหนึ่ง ก็เลไปเที่ยวไปเที่ยวตัวเขาเลยยู่นี่ิมู่ไปเที่ยวไปเช่ามาหาอยู่เลยต้นน ม, มันผอึดอยู่นี่ข้อนมาจะผลจะลมผดจังเห้นทุกไว้ค่ับ้อน้านี่สิบสองปีลบข้อ น, นาอ้าผลพูนบ่วันนี้บ่นอะไรหัวเามาเห็นสองฝ้อหนาอะไรยี่สิบเจ็ดนี่ยกระเบืนอง้นว่าเป็นมองเป็นมองึ้นว่าละกระเบืนองืนว่า ญาติโทษอะไันนี้ป้าเจ้าก็แห้งแล้ววะครับปู่นี่ก็จะนี่โย่วางนี่เพมีผู้ใหญ่มาเห็น่วยก่อนตัหลวงปู่หลวงปู่มาเห็นตอนเย็นมากครแม่พอพอทุทธลุกองเดียวย้นพอนเพอราะพุทธลูกองยั ง, หงเห็นเห็นบ่ยิ่งสาระนะแต้วเพื่นอาจารย์เขาว่มันเขาหนี ว่าพระขาวทาของเพ่นเน๊เขาวคนนวนใส่บุตรเราเป็นชีิตลอดมาคณะกุฏเจ้าได้ดูมากยะมากเมืตั้งใจว่าที่ังสร้างวัดสร้างว่ายังดอกคนรายข้นผู้หน่งแค่นั้นแด้ผนึ่แค่น้นน่นี่นมาเมื่อเราก็แก้กมากนะเมื่อได้ตั้งใจว่าสิโยนี่เมื่อได้ตั้งใจว่าขัตั้งใจวิศิโยนี่ก็ฮ้อนตั้งใจวิไปเที่ยวเอีกก็ฮ้อน ยู้ใสก็ยู่น้าสีน้ำท่ำแหละวะ่าท่านยู่ไปเป็นมือมือวอ่านเรื่น้วมันเปลี่นอดีตหน้าคดไป่านบอกองเสียเหรจะคอยอ ย, อยู้นี่ได้เด้กัตนตั้งใจว่าสีว่านี่พระเทว่ากับวัดนี้เนี่ยมาถือขึ้กันยู้ใส่ก็ขึ้นกันนะพระทําไม่ได้คนเบาเด้อไปยู้ใส่ตั้งใจว่าสียู้วุฒิธรรมวุเนี่ยวท่นตั้งใจสินี้จากวุฒันรรมกับวุฒิเน่ยววุัิเนียูกับนี้ใร่รปฏิบัติตามสถิ ต, ติกาลังขอ ง, งตน ไปเพื่อผลทุกนานิตร์ทุกสารถือไว้สังอะไรคืออ่อกน่ะวัานั้นเกิดอะไรนะแต่ว่าเขาไปเห็นอะไขั้นเขาจังเอามาเฮ็ดไว้เน่ยอย่นัเป็นมานะท่านีบันไดตอาแล้วกันยังว่าฮับรไดฮับรรไดก็เห็ดตึ๊งตจวันสองวันหาลยย่สิบเก็ดเนี่เมื่อที่เมื่อที่เดียวใครจะเป็นพี่บาบ่เห็ดบรรไดให้กระดกกระเดียกจั๊กสิบปไสสรงว่าเถอะเมื่อปีเดียว ไม่ไมอยู่องเดียวซี่องห้องไปสิเป็นพี่บ้ามาเฮ็ดใครดีปานนี้ยักมัเบิ่สิยูจักวัเสิหนี้มุ <c oughs> ไม่นั่นบอกเหว่าั่งกับพ่อเราเนี่ยกันจะ <c oughs> กวกาอ้ามพอไปเขอกเอออันเดียวนี่เจรจิงคบขึ้นภูเขาสาวพ่อเนี่ย ผนทางให้เป็นเข็มมัน l, แม่นเจ้าของนะเพื่อนเอาเรื่องทุกเจ้าของว่ลงองในในโลกนี้ว่าทุกท่าข่าวว่าทุกท่าข่าวห่นเนี่เขียงไว้ในกลยพุ่นอยู่ในคารวะคือกันเพื่อนเอาเรื่องทุกตัวเสียงไว้ในกยว่าทุกท่อข่าว่าทุกท่าข่าวอยู่ที่อะไรว่าย่อมว่ล่องขับขับตบขับอยตั้งขับขับับมาเป็นพระคือกัรมาเป็นพระขับขับับอยู่ห้องว่าล่องพนันเหมือนเสดเหมือนสดพระเสดัพระเสอพระไระเอัน นามเลยยังมานี่พ่อตายแล้วครับนี่พอตายแล้วบนนี่โลกก็เบียดเดียนมากพ่อแห้งนะโอ้ยมันสูตรรเบียดหรอกเื้อประวัติมันม่อยู่เอาชื่อวระวัตเออเอาชื่อประวัติไหนสัเอาเอาแต่เสื้อประวัติเนี่ยไปเอาไปแล้วแล้วมันบ่ออานเอาแต่เื้อประวัตินีหาไปอยกอยากหูยักษ์เหรออยากหักไหนอ่านเอาอ่านมเปิี่นหหาร้อ่านในฟัง พูดละเอียมะอียดอ๋อฮะอมพดเยพูดเียครอบใหญได้เยไ่ก็ครอบคนางสาวนักคนจักรีครอบอะไรครออรม่อไครบครบไ อาละอเอ้อ่ในอาาจส่ก็ได้ใส่นี่เอาเ้ไป่ไเขียนงหนีไ่มเป็นคาเป็นธาตุพระคุณพระ่าตุระสงฆ์ถว่ามัเมีประมาณใครเป็นร้มือขขาขคยของม่นเขียนเอาตอนท้าเขียนอะไรก็บอกมูกเขียน ออไมีกระดาเขียนเยกาษากระากกระดาะกระดาราากากะะกระดากกดาะดดราากรกกาากากาา ก็นายตีคนกังขาเกแู่่่เออปมาจะโดนแล้วน้อาน้มนแบบนี้เนไหอ้าน้ำมนตไ่ได้เฮ็ดตัก่ได้เห็ดดอน้ามนต์น้ามนต์ชิดมนต์ใจเฮา้งว่าพูทเาะธรมสงละก็เล้วละมนต์ชิดมนต์ใจเฮาทังว่าพูดเรามาสง ูตกมือเดี๋ยววันหนึ ม, นมนนุ่นอ่ะมุ่หัวทรายนอเป็นพระยศาสตร์งั้นว่านี้พุทธศาสตรอโอตราไปเขาเขามาเขามีเรื่องมาขอนังคือเดียวอยู่เด็กส่งให้เขาเออ อ๋อนี่กระดาษมันอะไนคุณเฉียนน้องเมย์ตัวเขาเออนี่นี่เขาไปสี่เดี๋ยอออ เอาเอาเอาเรืนะ่องนะีนะ้มาเอานะไยมเอออากจะวันน้ไม่ขึ้น อ, อา่างปฏิตายเด้ขอดึอีกขี่แต่งเงี้ยิตาย ฮัตพราพุตโต่ะเกโรคทรัาโม่สังโคเขาเยอะน้ากันนั่นแหละถ้าว่าอักษรย่อนคือคือคือถ้าว่าเคยเห็นหนากันไม่ใช่เคยเห็นตาเห็นดังกันอยู่ถ้าว่าอักษรย่อคือว่าเคยเห็นหนาทัน้คือการถ้าว่าพุทธโต้ถาโม่สังโคกขยอน้ากันน่ะพุทธโต้แปลว่าละบาบบาเพ็ญบุญถ้าโม่ส่งไว้สิ่งระบาบบาเพ็ญบุญยุ่หัวใจสังโคปฏิบัติละบาบบาเพ็ญบุญยุ่งหัวใจอันเดียวกันแหละ เข้าใจเป็นขัวหาเหตอยุ่แปดเมื่อที่พระธรรมขันออกไปจากใจฮันค้นบ้บาใบาเสียจริตพระรพุทธเจ้ากอบประเทศเ ท, ทตน้องใจฮันขันใจเห้าว่ามันบ้ามันใบเด็เรียกว่าเหา่าเด็กมันสมบัติเก็บพูดแล้วเห่าก็สางสมสมบัติสางสอนสมบัติใชคิดใ้ใจตัวหันใจเสิมว่ระธระสงค์เป็นที่เพิง ตัวมูฮัอได้กว่าพธรมผสมเป็นที่เพิงเอาพระพุทธธรรมผสมเป็นที่เพลิงเพราะผูกขาดจองขาดตอบเถอขัดชพนใน้า่าได้เลือกได้ไได้ก็ดีที่เอาพระพุทธธรรมผสมเป็นที่เพลิงอยู่ตมือผมีประมาวม่านตอบตาเขัดชูพระในผ้าน้องสามก็าลังล่าคนัวมาทาปล่อยคืองงับดีเสียป่ย ประธานนึกสนันสะมาทีนึกว่าไรประธานห้าเริ่มเพราะปานท้ามาเริ่มน่ะแหะศรีราชถึงคนเราคนพระพระธรรประสงค์สน่นนั่จสิยหยาเสียเปียบเพียงผู้ข่าว่าได้ว่าได้อายเพราะมันได <laughs> ้ละ <c oughs> พาการอาชีพตอพุทธธรรมประสงค์งมงมีประมาณเ ล, ลือกได้บุรีเลือกได้ก็ดีผูกขาดองขาดเยยมห้องบรเลือกได้กครือห้องรเลกได้เจ่ห้องอธิษฐานังสั่น่ตั้งซัอะไรเง้ยหอไปงตายก็ได้ผู้ขายเลืกได้บริเึกได้ออ า, นนะาไปาาขาทัดพราะพระพุทธรรมประสงคุทธภมงพรพระพุทธรรมสงคขี่รถเงียวรถหยับย่ำชมไล่า่าหนมกใส่ไหไม่ใช่ผู้ขายจะตุนรอาไ้มอุมาด้อั่อาปาขึ้นขีไว้ก็ได้สมมติท่นเนาะ ทางเชียนอนทางเชียนอนนึกอ้าปากปพระร า, าพุธทธเจ้าร่วกับพี่หา้าเมฆกับ ไ, ปไปาปล่อยเพรางเพอผูใ้ใดเขามาเห็นเขากว่าเป็นบาปว่ากระซงว่หาบมบุีมันจะสินยนาอค่ยังบัดปล่อยเลยแต่ห้าจะตักมืองห้าจะตอดเมืงมงองห้าอ๋อหอมมันเป็นหลายๆอย่างวล่รอาถึยงพระพุรรมประสงค์จมาสีหนาแค่นั่นผูข่าวอะไรๆผู้ใดเขอเป็นข่าวบันทัดพระพุทธธรรมประสงค์ตรงเงาบุญนี่สมานแล้ว สับะทุกสับปะโซกสัะโรสัะเวนสัะไพสัะอันตระยได้ๆทั้นทั้งทิ้งย่านมีมาพพองผ่านแกผู้ขายและสัเศ้าหลกสผบวยงซุกเงาไม่มีพ้านก็ขาเถือนเนี่ยสับายคิดบุีเว่นม่มีไพแต่นึกถึงฉันตัวยขอผู้ขาจองขาดเนี่ยขึ้นรถขึ้นเรือไปกับพ่หน้าพุทโธงับๆย้นใจมันจะรีมันกระดุกันรถก็บว่เป็นอันตรายเฮากบว่าเป็นอันตรายว่าถือห้าให้กเทื่อจะพัพน้าพุทโธมาหนีว่าถือห้ากเื่อน งูกับวรากัดจักเถือเสือกับว่าเสียนจัดเถือมาถึงข้าวตายไปมันว่ามาเราลูกพูดเง้ยนี่ลูพูดวนล้กพูดชวนมาเปล่ยนมเนี่นีจอมมัทสายนมันการสร้างควา่อมระดับจุกเอาออนก็เฮ้าเออต่ว่้านไปละคนบรนเรามันแกวนี่เปลนมาหุจักคนบรรเลามันแกวนี่บรรเลามันแกว Uber, yeah. อุบัติเหี่ยล้เพิ่มมาสามชีเป็นอแล้วผมกับผมไปเตนสนอยู่พู่อเลยโอ้อยาเคยเห็นกันด้วยก็เห็นกันพ่อบเห็นกันกัไม่ทาตายรดเพย่คือัาตัวเองเนาะคุณมุน้นชาเนาะวะนะเ่าก เมื่อคนมาติดเี่ยอะนรอ่นี้ลก่ลูกกซาโอ้ยจมุ่นลูกกูซ่าลูกกูซ่าเพิ่นพันสาตนาเพิ่นหลายัวต่อายุพนอ่อกัวเพิ่นเพิ่นมาในสาลข้ารเชกด้วผู้ข่าก็เป็ลางข้าราชการยุคเสปีนี่ผู้ข่าบวชข้าเป็นผู้บาบวชีพันสาแล้วิกออมาก็มาเอาเนี่ย เป็นเนีน้เป็นเนีนี่สามพัาเป็นเนี้สิบสิบแปดชุกเก้ายี่สิบเป็นเน่นยี่สิบเอ็ดจะสียออกว่าพัดเลือทหารแล้วกัไปบวชอีกบวชอีกภันษาหนึ่งออกมาเอาเมีอะมีอตาแล้วกับ่าบวชผมเลืว่าเป็นเพื่อยูนองไข่นี่ยหลพูดจวนบันนะยุนี่ยุ่งเรื่องบวเนี่เรื่อบวชมันเลามันแย่กว่านี่ มแล้วบ้านแ เ, เอาเพิ่อมวางสามชินี่น้องผู้ชวนต้นขาวขาวไม่โ่อ่ามแพ่แม่ตเปน่งขาอวันไม่อุายอ่านบ้งนี่กอเจ้าเราจ้าบ้างหายวอกก็ส้ามทออ่านบ้างน้าไหนพูดได้จรงพูดได้จรงอ่านบ้างด้วยนี่ขนมตาบะไรออนหนั่งหนึง คนขาผูดอะอ่านประวัติเท่าเป็นลำรับไปําตาอาไเพ่นขาคนก็นได้พ่อ น, นบักนึ่งขาคนได้อ่านประวัติเท่ากันยังลาตาไรเท่าทุกร้ายอีประวัติตอนหิวผิด <c oughs> ไม่ะายคนม่อ <c oughs> ัะ้มันที่นี่ยังแต่หิเปรีบเนี่ยพวระซักมันรายกว่านั้นอัศวะนะันสบายไปหน้าเลังมาถูกปบ่มันมาท่านนอ่านไปซือดอกนี่ว่าจะบันปลายมัน คิดข้านว่าบัตร ก, กบบัตรกมันมันยู่น้าพี่วัดบัตรกาบมันก็ยุ่งพี่วัดเนี่ยนี่ว่าบัตป่ายสุดนี่ใช่ไหมบันนตรก้อนลงไปนั่นอักโค่นอ่านีหายพ่อเอาแล้วน้องหายเมื่อไหรล่ะเนื้อสาวววาบราปฏนื้าวเรามีพี่ยงทุตนําพจานอุปการปติวิธีตั้งวิธี่ั้งทุมากิบพเหี่ยจะมีจดูรับเพรอเรียนดูสังกปายกันดูคนละตัวานือาวนี้โยเที่ดูเนื้อสาวทัศนีโยโยวัจนสัพโรภวกนาศ แต่ตวมาเที่ววัตัวันตรายอยุกี่ที่ใครจะเข้าไปวัดพระสินี่สันนิจมุทาวัใช้งานอยู่ารุธรรมวัาน์สันติไหโยนโอสุขาพระลังเขาก็้าให้เบอลไลยแล้วมันโลกหัวใจลกหัวใจมันมันคัดของนักขันท์ขาว